เล่าแถนนิดนึงนะเล่าแถนนิดนึงวัว น, นี่นะที่มาควิดเนี่ยนะไม่จะมาอยู่ๆก็ควิดนะแค้นมากจึงควิดพระเจ้าปุกุสาติเนี่ยไม่ได้ทำบุญอย่างเดียวนะในสังสาราวัตรทำบาปมาแล้วก็มีเคยเกิดเป็นลูกเศรษฐีคบกับเพื่อนไปหาหญิงโสเพณีหาหญิงโสเพณีมาแล้วก็ พอสำราญกับโสเณีนั่นแล้วก็ให้รางวัลไปแล้วก็คิดกันว่านี่เรามาอยู่ไปกันเพื่อน4ี่คนนะนี่เรามาอยู่ในที่นี้เนี่ยนะไม่มีใครรู้จักหรอกแล้วก็ไม่มีใครไม่มีใครรู้ใครเห็นด้วยมีแต่เรากับโสเพณีนี่เท่านั้นเองเราให้ค่าจ้างเขาไปแล้วเนี่ยเราก็ค่าเขาแล้ว เ, เอาค่าจ้างกลับคืนมาเอาเครื่องประดับของเขามาด้วยเราสำราญแล้วเราก็กำไรด้วย คิดอย่างงี้นะพระเจ้ากูสาติก็เป็นหนึ่งในสี่คนเนี่ยแล้วกระซิบกันดังโสเพณีนั้นได้ยินโสเพณีได้ยินโหนะแกสี่คนนะสำลันกับเราแล้วคิดฆ่าเราอีกรู้รู้แผนแต่ทำอะไรไม่ได้ผู้ชายสี่คนผู้หญิงคนเดียวผู้ชายก็ฆ่าฆ่าเสร็จ ระหว่างถูกฆ่าก็แค้นฝังใจาว่าเกิดชาติไหนจะขอตามฆ่าพวกแกสี่คนคิดอย่างนี้มันโกรธแต่ด้วยตัวเองไม่ได้มีบาปอะไรมากแค่ตั้งจิตปรารถนาว่าขอเอาคืนเกิดเป็นยักษ์เป็นยักษ์ินีอายุยืน แล้วพอใครถึงคราวนะยักษีนีนี้ก็จะแปลงตัวมาเป็นวัวขีดใส่มีคนโดนขีดอย่างเนี้ยสี่คนปูกุสาติองน์นึงแล้วนะรู้จักพาหิยะไหมพาหิยะก็ถูกวัวขีดนะอีก อีกท่านหนึ่งใครองค์ที่เป็นเอ๊ะไม่ใช่เป็นองค์เป็นโรคเรื้อนเป็นโรคเรื้อนแล้วมาฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วเป็นเป็นโสดาบันแล้วพระอินทร์มาลองใจให้กล่าวว่าพระพุทธเจ้าไม่มีพระธรรมไม่มีพระสงฆ์ไม่มีถ้าพูดอย่างนี้นะเดี๋ยวเราจะให้ทรัพย์สมบัติทั้งหมดเลยโรคเรื้อนคนนั้นบอกเป็นใครชี้หน้าพระอินทร์นะเป็นใคร มาพูดอย่างนี้ได้ยังไงให้เราตายเราก็ไม่พูดอย่างนั้น mm hmm. คือเป็นพระโสะดาบันแล้วเนี่ยไม่เอาไม่พูดให้ตายก็ไม่พูดนี่นี่ก็เป็นโรคเรื้อนไปกราบพระพุทธเจ้าพอออกจากพระพุทธเจ้าก็ถูกอ้วกขีดเหมือนกันอีกองค์จําไม่ได้แล้วใครแต่ปุกุสาติเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นเคยคิดผิดทําผิดมาแล้วพูดผิดด้วยคือปรึกษากันฆ่ามันฆ่ามันอะไรเงี mm ้ย hmm. สังสารวัตรหน้ากลัว ถ้ายังวนๆอยู่นะตอนเกิดเนี่ยมันจะลืมลืมแล้วก็เลยนึกว่าไม่มีอะไรมั้งในดีไม่มีอะไรชีวิตนี้สดใสเป็นเด็กๆจะสดใสอนาคตสดใสแล้วก็ทำอะไรไปเรื่อยๆแล้วก็พลาดทำพลาดคิดว่าบาปไม่มีบุญไม่มีหรือว่าทำได้เพื่อความสุขของเราเพื่อเพื่อนของเรารักเพื่อนนีไอ้สีคนนี่ก็รักเพื่อนนะ สี่คนก็รักเพื่อนไปจ้างพิษสนอีกลไปจ้างโซเภณีมาคนหนึ่งแล้วก็ไปฆ่าเขาสนุกกันระหว่างเพื่อนผู้ชายหลงผิดไปก็เลยต้องถูกขิดถูกบัวขวิดแต่ทำดีก็เยอะปรารถนาพ้นทุกข์อย่างยิ่งยวดเลยคือในชาติที่เป็นพระที่ขึ้นไปบนหน้าผาแล้วก็ถีบถีบบันไดลงไป เอาชีวิตเข้าแรก